หัวข้อประจำวาระอาคารวะคารวะวินีตวัตถุสามีจิกรรมสมุดฐานแห่งอาบัติอาบัติมีการตัดเป็นวินัยกรรมอาการที่ต้องอาบัติอนิสงการทรงวินยัยสิกขาบทที่ว่าด้วยอย่างยิ่งภิกษุอยู่ปราศจากไกรจีวรหกราตรี จีวร น, น้ำย้อมอาบัดเกิดทางกายกับจิตทางวาจากับจิตทางกายวาจากับจิตกรรมมูลเหตุแห่งวิวาทะมูลเหตุแห่งการโจทย์ผ้าอาบน้ำฝนยาวจีวรกว้างนิสัยระงับอนุบัญญัติในการอาบน้าถือเอาจีวรที่ทำค้างหลีกไป เก็บเอาจีวรที่ทำค้างหลีกไปประกอบด้วยศีลขันเป็นอเสขะชักชวนผู้อื่นให้สมาทานในศีลขันเป็นอาเสขะมีศรัทธาผู้มีศีลวิบัติในอธิศินภิกษุผู้สามารถพยาบาลฝึกปรือในอภิสมาจารรู้อาบัติการงดปฏิโมกไม่ชอบธรรมการงดปฏิโมก ชอบทำ